เอานะ่าอย่าซสีเรียกเรื่องยอดนักเทศท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณนูปมาจยา์หรือจันสิริจันโท นักเทศเรืองนามอดีตเจ้าอาวาสวัดเบารมมณนิวาดวันหนึ่งท่านขึ้นเทศบนธรรมาตเมื่อเทศจบเสร็จแล้วท่านก็ยังนิ่งอยู่บนธรรมาตนั้นเองจันยมสงสยัยจึงขึ้นไปถามท่านว่าเทศจบแล้วทำไมหลวงพ่อจึงยังไม่ลงจากธรรมาทตล้วครับท่านตอบว่า จะลงได้ยังไงเพราะขาฉันหักนี่ปรากฏว่าขณะที่ท่านขึ้นธรรมาร์ขาท่านไปกระทบบันไดธรรมาร์เลยขาหักไปแต่ท่านก็มีความอดทนเป็นยอดท่านแสดงอาการปกติประคองเทศไปจนจบต่อมามีคนเรียนถามท่านว่าเจ้าคุณ ขาหักแล้วยังเทศได้อีกหรือท่านตอบว่าขาฉันหักแต่ธรรมะไม่ได้หักนี่